เป็นชาวพุทธของคุ้นเคยกับชาดกนะชาดกนี่ก็คือนิทานหรือเรื่องเล่าที่ปรากฏในคำภีทางพุทธศาสนาเช่นพระเตวิดกหรืออัตถกถาก็ถือว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์คือพระธเจ้าในอดีตชาตินะชาดกบางเรื่องนี่เราอาจจะไม่รู้ว่าเป็นชาดกเลยนะเพราะได้ยินได้ฟังมานตั้งแต่เล็กเช่นนิทานกระต่ายตื่นตูมเนี่ยอันนี้ก็เป็นชาดกเรื่องหนึ่งนะ ชาดกนะในเมืองไทยนี่เดี๋ยวนี้ก็ลืมเรือนกันไปเยอะแล้วแต่ว่าในบางประเทศอย่างเช่นภูฐานนี่มีชาดกบางเรื่องนะที่ชาวบ้านนี่เนะี่ยยังเล่าขานแล้วก็นำมาเตือนใจอยู่เสม อ, อยังมีชาดกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะคือเรื่องสี่สหาย มเป็นเรื่องที่ปรากฏในกิจกรรมฝาผนังของวัดต่างๆแทบทุกวัดเลยรวมทั้งสถานที่สําคัญนะแม้ลังตามบ้านเรือคนคนนี่ปฏิทินเนี่ยก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับชาดกเรื่องนี้แล้วนะนิทานสีส่สายสี่สายนี่คือใครนะคืออะไรนะก็มีนกมีกระต่ายมีลิงมีช้างนะชาตรงนี้ก็ เรื่องเราก็ไม่ได้ยืดยาวอะไรนะมีนกเนี่ยนะเอามาเล็ดพัน์เนี่ยนะมาเพาะนะลงดินส่วนกระต่ายก็มาช่วยด้วยการหาน้ามารดลิงก็หาปุ๋ยมาใส่ส่วนช้างเนี่ยก็คอยบังแดดบังลมเวลาต้นกล้าเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อให้ต้นกล้าได้เติบโตนะอ่าเป็นต้นใหญ่ พอต้นไม้ใหญ่นี้ก็ก็ให้ร่มเงาให้ผลไม้ให้อาหารแก่สี่สหายเนี่ยเรกเป็นการร่วมมือกันนะเพื่อปลูกต้นไม้ปลูกป่าแล้วก็ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะก็ทั้งสี่สหายแล้วก็สัตว์อื่นๆก็ได้รับโดยท่วนหน้าทำไม ชาดูเรื่องนี้เนี่ยจึงแพร่หลายนะในภูฐานนะก็บอกเขาต้องการชีย่ยเห็นว่าเนี่ยความแตกต่างนี่มันก็มีด้านที่งดงามนะด้านที่เป็นประโยชน์ศาสตร์ศิลนี้เนี่ยแตกต่างกันมากเลยนะแต่ว่าก็เอาความแตกต่างนี่มาเสริมกันนะมาช่วยกันทําให้เกิดอป่าทําให้เกิดต้นไม้นะซึ่งก็เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย ก็ต้องการเชื่อเห็นว่าความแตกต่างเนี่มันไม่ได้เป็นเรื่องที่เสียหายอะไรถ้ารู้จักจใช้ความแตกต่างมันก็เกิดประโยชน์ได้เพราะคนเราเนี่ยไม่ว่าเก่งแค่ไหนฉลาดเพียงใดเนี่ยหรือยิ่งใหญ่แค่ไหนเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดอย่างช้างนี่จะไปปลูกต้นไม้เหมือนนกเนี่ยก็ทําไม่ได้ทําได้ไม่ดีเท่านะแต่ช้างนี่สามารถที่จะ คอยบังแดดบังลมให้ต้นกล้าแล้วคอยรักษาต้นกล้าให้เติบใหญ่แร้อันตรายนี่ทําได้อันนี้ก็ต้องการสอนว่งคนเราเนี่ยมันย่อมมีความแตกต่างกันอยู่แล้วแต่ก็ต้องรู้จักใช้ความแตกต่างให้เป็นประโยชน์ที่จริงนในธรรมชาติเนี่ยสัตว์นาชานินี่ก็ใช้ความแตกต่างนี่มาช่วยกันนะมันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องเล่าเป็นนิทานอย่างที่เคยเล่าเนี่ยนกพรานพึ่งเนี่ย มันอยากได้อยากกินขี้ผึ้งแล้วก็ตัวผึ้งมันก็ต้องร่วมมือนะกับสัตว์อีกชนิดหนึ่งเนะี่ยคือตัวราเตล์นะตัวก็ขนาดอา่รูปแมวตัวใหญ่ๆนะมันมีขนที่หนาอะมันมีขนที่ฟูแล้วก็หนังหนานะแต่มันบินไม่ได้นะนกนี้บินได้นกก็มีข้อได้เปรียบคือ สามารถจะมองไกลแล้วก็รู้ว่าลังพึ่งอยู่ตรงไหนไอ้ลาเตลนี่มันมองไม่เห็นหรอกเพราะมันเป็นสัตว์ที่เหมือนกับพังพอนนะมันก็เดินตามพื้นมันมองแล้วก็ไม่ได้ไกลแต่มันมีจุดเด่นก็คือว่าหนังมันหนาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถจะเข้าไปลุยอ่ะลุยลังพึ่งได้พึ่งกัดยังไงพึ่งต่อยมันก็ไม่เจ็บนะแล้วก็สิ่งที่ได้มาก็มาแบ่งปันนะระหว่าง นกพานพึ่งกับปลาเตลอนะอันนี้เราว่าใช้ความแตกต่างนะไปนในทางที่ช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันนะธรรมชาตินี่มีเยอะเลยนะที่มันมีความแตกต่างกันแล้วก็ช่วยเหลือกันถ้าเหมือนกันหมดนี่มันก็ลําบากนะจริงจริงอย่ว่าแต่สัตว์เลยนะคนเราก็เป็นกันนะแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเราสังเกตไหมาทาไมนิ้วมือเราเนี่ยมันถึงไม่เท่ากันถึงยาวไม่เท่ากัน การที่นิ้วมือเราทั้งห้านิ้วเนี่ยมันยาวไม่เท่ากันขนาดไม่เท่ากันนี่มีประโยชน์เยอะนะเพราะว่ามันช่วยทำให้เราจับช่วยอะไรได้ได้ไ ด, ดีขึ้นรวมทั้งทำอะไรต่ออะไรได้มากมายอย่างที่สัตว์ชนิดอื่นทำไม่ได้นะอย่างเช่นใช้มือจับปากกาเขียนหนังสือจับผู้กันวาดรูปเล่นกีตาร์ดีดเป็นโนนะทำได้เยอะแยะเลยนะสัตว์อื่นนี่าทาใช้มือ สร้างสรรค์สิ่งต่างๆเนี่ยรวมทั้งสร้างเครื่องไม้เครื่องมือสู้มนุษย์ไม่ได้ให้การที่เรามีนิ้วที่แตกต่างกันเนี่ยมันเป็นข้อ ด, ดีนะแต่และนิ้วเขาก็มาช่วยกันนะเสริมกันนะนิ้วโป้งก็ดีนิ้วกลางก็ดีนิ้วชี้ก็ดีมีประโยชน์ทั้งนั้นถึงแม้ว่าจะแตกต่างกันนะมันไม่ใช่แค่ความสามารถทางกายภาพนะที่เมื่อแตกต่างกันแล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์ ความคิดที่แตกต่างกันก็มีประโยชน์นนะความคิดที่แตกต่างกันเนี่ยเดี๋ยวนี้เราเนี่ยไม่ค่อยทนไม่ค่อยได้นะกับคนที่คิดต่างจากเราท่านที่ความคิดที่แตกต่างกันเนี่ยมันช่วยทําให้เราเนี่ยมองอะไรได้กว้างขวางขึ้นรอบด้านมากขึ้นนั้นคนเราเนี่ยถ้าได้ความถ้าเอาความแตกต่างทางความคิดความเห็นเนี่ยมาใช้เป็นประโยชน์นี่มันก็เกิดผลดีนะเวลาทําอะไรเนี่ย มีคนที่คิดต่างมองต่างบ้างมันก็ทำให้เห็นอะไรได้ถีท้วนรอบด้านมากขึ้นเพราะความจริงเนี่ยมันมีหลายแงย่หลายมุมที่เราไม่สามารถจะเห็นได้ถีทวนนะด้วยตัวเราเองหรือด้วยตัวคนคนเดียวได้มันก็มีคนช่วยกันมองนะเมื่อช่วยกันมองเห็นความแตกต่างเห็นความหลากหลายเห็นแง่มุมที่ไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็ทาให้เราเห็นอะไรรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมในประเทศมันมีกฎหมายหนึ่งนะเป็นกฎหมายโบราณของชาวยิวป็นกฎหมายนี้เนี่ยมีมาตราหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาโทษของอาญากรถ้าเกิดว่าเป็นคดีอุกชะกันเนี่ยและผู้พิพากษาเนี่ยเห็นพ้องต้องกันว่า นั้งวทษคนนี้เนี่ยสมควรถูกประหารชีวิตถ้าเห็นพ้องต้องกันทั้งเจ็ดสิบคนนะที่จริงมีเจ็สิบแปดคนถ้าเห็นพ้องต้องกันนะทั้งเจ็ดแปดคนกนะ็คือความเห็นเป็นเอกฉันนี่คําตัดสินนั้นเป็นโมฆะนะหมายความว่านักโทษคนนั้นเนี่ยจะไม่ต้องถูกประหารชีวิตเมื่อมันผิดกับความเข้าใจคนเรานะว่าถ้าเอกฉันก็ยิ่งดีสิเนี่ย คุยภาษาทั้ง71คนนี่มีควา ม, มเป็นเอกฉันท์ว่าคนนี้สมควรถูกประหารชีวิตกฎหมายิวนี่บอกให้ปล่อยเลยนะปล่อยคือว่าไม่ต้องลงโทษประหารชีวิตเพราะอะไรเพราะก็เห็นว่าถ้าคนเห็นพ้องต้องกันกันหมดนะทั้ง71คนโดยที่ไม่มีใครสักคนหนึ่งเนี่ยเห็นต่างเนี่ยมันแสดงว่าทั้งหมดเนี่มองไปในทางเดียวกัน เมื่อมองไปทางเดียวกันเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ได้เห็นบางแง่บางมุมนะที่ที่แตกต่างกันาการที่เห็นอะไรเหมือนเหมือนกันหมดเนี่ยโดยที่ไม่มีใครสักคนหนึ่งเนี่ยเห็นต่างเห็นแยง้งมันก็เป็นไปได้ว่าผู้พยพาษาทั้งหมดเนี่ยนะมองข้ามบางเรื่องมองข้ามบางแง่บางมุมไปก็มีโอกาสที่จะ อมองไม่ถี่ท้วนไม่รอบ ด, ด้านเพราะฉะนั้นก็อาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเรื่องความเป็นความตายนี่เขาให้ปล่อยเลยนะปล่อยคือไม่ลงโทษฐานชีวิตอาจจะตัดสินจำคุกนะหรือว่าปรับก็แล้วแต่เน้่นี่ก็เป็นเรื่องแปลกนะความเห็นที่เป็นเอกฉันนี่ในบางเรื่องนี่ก็ถือว่าไม่ดีนะเพราะว่ามันหมายถึงการมอง มองข้ามบางแง่บางมุมนะที่อาจจะสําคัญก็ได้นั้นถ้ามีคนเห็นต่างในคดีแบบนี้เนี่ยแม้คนเดียวเนี่ยนักโทษคนนั้นเนี่ยถูกตัดสินประหารชีวิตเลยนะแต่ถ้าเห็นเหมือนกันหมดนี่เป็นเอกฉันนี่นะก็รอดตายไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อนะตรงข้ามกับความเข้าใจบางนคนเราว่าถ้ามันเห็นเอกฉันคิดเหมือนกันหมดนี่แสดงว่าถูกต้องแน่นอนนะ แกฎหมายยุโโบราณบอกว่าเนี่ยเป็นไปได้ว่าจะมองข้ามบางแง่บางมุมที่สาคัญก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัดสินลงโทษผ่านชีวิตเนี่ยก็อาจจะผิดพลาดนั้นทางที่ดีคือว่าไม่ฆ่าไม่ประหารอันนี้ก็เป็นเรียกว่าอะไรภูมิปัญญาของโบราณนะที่เขาเห็นวา่าความแตกต่างก็มีข้อดีเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะต้องเห็นพ้องต้องกันหมดแต่เดี๋ยวนี้เราทนความเห็นต่างไม่ค่อยได้นะ พอเห็นต่างเมื่อไหร่ก็รู้สึกว่าถูกกระทบเพราะความยึดมั่นถือมั่นว่าความคิดของฉันถูกพอใครเห็นต่างก็รู้สึกว่าตัวตนถูกกระทบถูกกระแทกเพราะไปยึดว่าความคิดนั้นเป็นกูเป็นของกูคนที่เห็นต่างก็เหมือนกับว่ามากระทบตัวกูนะก็เลยไม่พอใจบางทีก็เลยทะเลาะเ บ, บาแว่งกันเพียงเพราะเห็นต่างกันในบางเรื่องที่อาจจะไม่สลักสําคัญอะไรเลยอเพราะนั้นเนี่ยนะเรื่องความเห็นต่างนี่ หรือความแตกตา่างนี่ถ้าเรามองให้เป็นนะมันก็มีประโยชน์นะแล้วก็ต้องรู้จักเอามาใช้ให้เกิดคุณนะไม่ให้เกิดโทษ